Thank you.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 ศีนี่ก็เป็นเรื่องกายวาจาความเห็นธรรมอันนี้ก็คือปัญญาแต่ว่าศีลแล้วก็การที่เราจะมีปัญญาเห็นธรรมเราต้องอาศัยศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นจุดจะเรียกว่าเริ่มต้นก็ได้ผู้เรามาวัดเนี่ยนะมาภาวนาก็พระมีศรัท ธ, ธาหรือว่าบางคนก็มาถือศีล8ศีน 8, สิบ น, นะก็พรมีศรัท ธ, ธานะศรัท ธ, ธาว่าการปฏิบัติเช่นนี้นะจะ ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขสงบเย็นอันเจริญงอกงามที่เนรหรือว่าศิลจารณีมาบวชนะหรือว่าพ่อแม่มาขอให้บวชเพราะมีศรัทธาคือความเชื่อมัน่นศรัทธานี้ีแปลว่าความเชื่อมั่นความเชื่อมันมอม่นว่าการมาบวชการมาปฏิบัติการมาถือศีล น, นะจะช่วย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 ไปเทวรูปนะก็ไปอ้อนวอนดนบรรดาลนะบางทีก็มีเครื่องเส้นเครื่องสังเวยได้ซ้ำนะไม่ใช่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวบางทีฆ่าคนนะอย่างเจ้าแม่กาลีเนี่ยนะมันก็เป็นมีรัตทิพย์ีนะที่ไปจับหญิงพรหมจรรันทร์เด็กสาวพรหมจันท ร, ร์มาฆ่าสังเวยเพื่อตัวเองจะได้นะประสบความสุขความเจริญทั้งที่เราไปนับถือพระ เ, เจ้าเนี่ย แบบนี้แหละนะอันนี้เรียกว่าเป็นการยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยให้ต่ําลงคนที่ฉลาดเนี่ยนะมีปัญญาก็ต้องยึดเหนี่ยวพรลัตนาใจเพื่อดึงให้ตัวเองสูงขึ้นก็คือว่าศีล ส, สมาธินะปัญญาจเจริญงอกงามกิเลสลดลงนะความมีแก่ตัวลดลงความยึดติดถือมันในตัวตนลดลงนะรวมทั้งความยึดติดในหน้าตาเนี่ยบางทีนักปฏิบัติทำจํานวนมากเนี่ยนะแม้ว่ากิเลสนะ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 แต่คนเราเนี่ยบางทีอาจจะเห็นแก่ตัวน้อยกว่าเราก็ได้ข้าจะมีเมตตากรุณามากกว่าเราก็ได้นะข้าจจะยึดติดในหน้าตาหรืออัตตาเนี่ยน้อยกว่าเราก็ได้คนที่มีศาสนาหรือมีศรัทธาในพระ ต, าาตรัณฑ์ใจก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปเสียหมดนะเพราะว่าถ้านับถือไม่เป็นศรัท ธ, ธาไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองต่ำลงแถมทาให้พระรัตานาตรัยเนี่ย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 คนก็เลยมองว่าเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนางมงายนะสอนคนให้งอมืองอเท้านะเห็นแก่ตัวอันนี้จะไปว่าเขาทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะส่วนหนึ่งชาวพุทธเราก็ไปปฏิบัติหรือว่ากระทาอย่างนั้นจริงๆงั้นถ้าเรามีศรัทธาที่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญทั้งส่วนตัวแล้วก็ถ่ายพุทธศาสนาเนี่ยนะอ่า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 มีพระอรหันต์พระอนาคามีที่ไม่ไ ม, มไม่ได้บำเพ็สมาบัติแปดเลยก็มีนะคือว่าท่านบรรลุธรรมได้เพราะปัญญาล้วนๆที่เรียกวิวปัสสุขขัยปัสสะโกให้เวลาพระรูปใดเนี่ยประกาศว่าเนี่ยวันนั้นวันนี้จะไปเข้านิโรสมาบัติเนี่ยก็แสดงว่ากําลังประกาศตัวเป็นพระอารหันต์หรือพระอนาคามีนะไม่ใช่พาาระอรหันต์พระอนาคามีธรรมดานนะั้ต้องระดับบำเพ็สมาบัติ8ได้ด้วย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 แต่ว่าศรัทธ า, ธาธที่ผิดมันไม่ใช่แค่ศรัทธาที่งมงายอย่างที่พูดมาเท่านั้นนะนันมีอีกหลายแบบนะเช่นเป็นศรัทธาที่เจือด้วยกิเลสนะเวลาเราศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเห็นว่าท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเท่านั้นนะแต่บางทีเพราะว่าเห็นว่าท่านปฏิบัติถูกใจเรานะปฏิบัติถูกใจเราเ น, นี้ยนะไอ้คำว่าวถูกใจเราเนี่ยคือเอาเราเป็นตัวตั้ง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 มหาที่วัดนะก็ปกติก็คุ้ก็พูดคุยกันดีนะแต่มีวันหนึ่งท่านท่านมากับคณะคณะถอยกับถิน่นสมัยนั้นเนี่ยค ณ, ณะถินก็คณะเล็กๆนะเล็กในที่ว่านี้คือว่า2ี่สิคนนะไม่ใช่เป็นร้อยเหมือนกับทุกวันนี้ท่านมามาที่สาราอัตามาก็ไม่เห็นมองไม่เห็นท่านเลยไม่ได้ทักถ้าคนอื่น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 ไม่ได้ทักนะอ้ที่ไม่ได้ทักนี่เพราะไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมองข้ามหัวท่านเนนมองไม่เห็นนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของศรัท ธ, ธาที่ศรัท ธ, ธาที่ไม่ถูกต้องนะคือศรัท ธ, ธาที่มันเจอด้วยกิเลสนะศรัท ธ, ธาในตัวอัตมาแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นศรัท ธ, ธาเพราะว่าอัตมาอนะ่ามีอะไรดีแต่เป็นเพราะว่าอา จ, จาในสิ่งที่ถูกใจท่านนะและบางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ย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 ลดทอนอัตตาท่านหาเรื่องเลยนะท่านโกรธพระไศรุว์ว่าหาเรื่องเลยไปทูลไปไปโจทฟ้องว่าพระไศรุบุญเนี่ยนะแกล้งท่านนะแกล้งท่านก็คือว่าคือตอนที่ท่านเดินผ่านภาพรูปนั้นเนี่ยชายจีวรท่านก็ไปถูกไปถูกไปถูกตัวนิดหน่อยนะของภาพรูปนั้นเนี่ยนะท่านก็เอามาเป็นประเด็นโจทฟ้องพระไศรุบุญว่าเนี่ยกานแกล้งท่านนะทำร้ายท่าน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 หาเรื่องใส่ร้ายท่านเนี่ยแบบนี้มีเยอะนะทั้งที่เวลาพูดคําว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยนะมันศรัท ธ, ธาคือการยอมนะการยอมยอมให้สั่งสอนยอมให้ว่ากล่าวเนี่ยอนนี้ถ้าเป็นศรัท ธ, ธาในครูบาอาจารย์ที่มันเป็นศรัท ธ, ธาที่จะช่วยลดละอัตตามัมนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนศรัท ธ, ธาเพราะว่าศรัท ธ, ธาใครก็ตามก็เพราะามันสนองอัตตาตัวตน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 บางคนนี่นีดื้อด้านมากเลยนะอย่างในสพาตการเนี่ยพระชันน่เนี่ยพระชันน่านี่นะชื่อนี่เราคงคุ้นเคยนะเพราะว่าก่อนบวชนี่ก็เป็นเป็นคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะเลยนะแล้วก็วันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชที่เรามาพิเนสกลมเนี่ยชันน่ากมาร์คันธกะานี่ก็เป็นสองชีวิตที่ได้เห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่ท่า น, นะจ ะ, สะเสด็จ นะออกจากพระราชวังไปหรือว่าหนอีออกไปปั่ปเป็นปฏิบัติธรรมต่อหลังพระชนกชนกก็นนกมาบวชนะบวชแล้วนี่ก็เกิดความหลงตัวว่เนี่ยฉันเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะเวลาเวลาเวลาใครมาแนะนำสั่งสอนเนี่ยก็ไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพระพุทธเจ้าเวลาคนไปกราบไหว้คารพพระสารีบุตร พโมคขาลานาพาะเป็นอ克รเสนาบดีอัมส า, าวกนะระชนะก็อิจฉาบอกว่าเนี่ยให้ตอนที่ตอนที่เราลำบากเนี่ยนะสองรูปนี้ไม่เห็นมาปรากฏเลยนะเพิ่งมาโพลระยะหลังนะเพร ว, ว่าเป็นคนรุ่นหลังกลับได้ดีนะกลับได้ดีไอ้เรานี่กลับไม่มีคนสนใจนะ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 ท่านก็รู้ตัวในที่สุดว่าท่านผิดและก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งนท่านพระอรหันต์ที่ท่านมาีความผิดพลาดมาก่อนหรือว่าทำผิดพลาดตามภาษาพุทธชนนี่มีเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นดึงความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามเอาชนะตัวเองจนทั่งสามารถที่จะหลุดพ้นนะจากความทุกข์ได้ อันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาค่ำนี้น ะ, ะกลับภาพพร้อมกัน